องหกแห่งภิกษุผู้ไม่ต้องถือนิสัยภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์6พึงอยู่โดยไม่ต้องถือนิสัยคือ1รู้จักอาบาัตสอรู้จักอนาบัตสารู้จักอาบาัตเบา 4. รู้จักอาบาัตหักห้าจำปาติโมฆ์ทั้งสองโดยพิสดารได้ดีจำแนกได้ดีคล่องแคล่วดีวินิจฉัยโดยสุตะโดยอนุพยัญชนะได้ดี 6. มีพรรษาครบ5หรือมีพรรษาเกิน5 ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หกเหล่านี้แลพึงอยู่โดยไม่ต้องถือนิสัยวงเล็บแปดนิสัยมุจจนะกะกะถาจบอภยูวรภานวันที่แปดจบ